กกว่าด้วยกรณีตัวอย่าง36กรณีภิกษุกรมังอยู่ปริวาตต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุกรมังอยู่ปริวาตต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม 1. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ปิดไว้สงพึงชา่าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมุทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 2. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกาลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่าง มีจำนวนนับได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงชาพิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโอทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่พิกษุนั้น 3. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้ สงพึงเช่าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตดเดิม 4. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตดสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้สงพึงช่าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตดเดิมและพึงให้สมโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตดตัวก่อนบรรดาอาบัตดตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 5. ภิกษุทั้งหลาย 1. นนในกรณีนี้ภิกษุกาลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับไม่ได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงชัาภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมุทฐานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 6. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริว า, ออาส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 และเพื่อให้สมโมทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นกภิกษุผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัตสังฆาทิเศตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัตละถึงสิบถึงสิบปดภิกษุผู้บรรพฤติมานัตต้องอาบัตสังฆาทิเศตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุผู้ประพฤติมานัดละถึง1 9บเถึงยีพึงอธิบายให้พิสดารเหมือนการอยู่ปริวาสภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม28 ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่แอบพานต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ปิดไว้สงพึงชัาภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 29. ิกภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่แอบพาน ต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจำนวนนับได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงช่าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมุทานประริวาเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น30ิภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก้อภ า, านต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจานวนนับไม่ได้ ไม่ได้ปิดไว้สงพึงชช่ภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม31ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อาภานต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับไม่ได้ปิดไว้สงพึงชช่ภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น32 ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อาการต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนั บ, ไ ม, ไ, ไ, บไม่ได้ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโอทานะปริวาเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นสาสาภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุผู้ควรแก่อภายต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้สงพึงช้าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิม34ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อภายต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจําวนวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้ สงพึงช้าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตดเดิมและพึงให้สโมโุทานะปริวาทเพื่ออาบัด ต, ตัวก่อนบรรดาอาบัตดตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น35ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อาภานต้องอาบัตดสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างสงพึงช้าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตดเดิม และเพิงให้สโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 36. มสิบชาติสังกะจบ 5. มานาตสตะ ว่าด้วยกรณีตัวอย่างการให้มานัดหนึ่งกรณีภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษศึกอุปสมบทใหม่ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศ ษ, ห ล, ษออเหลายตัวไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสงพึ่งให้มานัดแกภิกษุนั้น1ภิกษุทั้งหลาย อ น, นึง่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ปิดอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสงเพื่อให้ปริวา่าในกองอาบัตครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้นสองภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวปิดไว้แล้วศึก ภิกษุนั้นอุปสมบ BON ทใหม่ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายทรงเพื่ให้ปริวาสในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่ภิกษุนั้น 3. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบ BON ทใหม่ปิดอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย ทรงพึงให้ปริวาดในอกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้น 4. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลัง อาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึ่งให้ปริวตัตในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่พิกษุนั้น 5. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลั ง, ลนน ภ, ลงภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้ปริวาสเนื้อกองอาบัตรครั้งก่อนและหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่ยพิกษุนั้น6ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัว ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างพิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริรวาสในกองอาบัตครั้งก่อนและหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักเกตพิกษุนั้น 7. ภิกษุทั้งหลาย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 อาบัตเหล่าใดภิกษุนั้นไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วไม่ปิดในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริว่าในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่ภิกษุนั้น 9. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู้ ปิดอาบัตที่รู้ไม่ปิดอาบัตที่ไม่รู้ภิกสุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดภิกสุนั้นรู้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วไม่ปิดในภายหลังอาบัตเหล่าใดพิกษุนั้นไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วปิดไว้ในภายหลังพิกษุทั้งหลายรงพึงให้ปริว่าในกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว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 อาบัตเหล่าใดระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้แล้วไม่ปิดในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปรือวา่าในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่ภิกษุนั้น 13. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวอาบัตบางอย่างระลึกได้อาบัตบางอย่างระลึกไม่ได้ ปิดอาบ si <you> ัตที่ระลึกได้ไม่ปิดอาบัตที่ระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้แล้วไม่ปิดในภายหลังอาบัตเหล่าใดระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ปิดในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ประวาสในกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้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 ระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ปิดไว้ในภายหลังอาบัตเหล่าใดระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนอระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ไม่ปิดในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงเพงให้ปริวาสในกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่ภิกษุนั้นสิหภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัว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 ภิกษุทั้งหลายสงพึพงให้ปริวาสในกองอาบัติครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่ภิกษุนั้น16ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษหลายตัวภิกษุนั้นแน่ใจในอาบัติบางอย่างไม่แน่ใจในอาบัติบางอย่างปิดอาบัติที่แน่ใจไม่ปิดอาบัติที่ไม่แน่ใจภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัดเหล่าใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปรือวาดในกองอาบัตครั้งก่อนตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่พิกษุนั้น17ภิกษุทั้งหลายอาันหนึ่งในกรณีนี้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 สงพึงให้ประเวทในกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัดแก่พิกสุนั้น 18, ภิกษสุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกสุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวพิกสุนั้นแน่ใจในอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจในอาบัตบางอย่างปิดอาบัตที่แน่ใจไม่ปิดอาบัตที่ไม่แน่ใจพิษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่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 สงพึงให้ปริวาสในกองอาบัดครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานักแก่ภิกษุนั้น20ภิกษุต้องอาบัดสังฆาทิเศตลดฐานะเป็นสมณเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัดสังฆาทิเศตหลายตัวไม่ได้ปิดไว้แล้วลดฐานะเป็นสมณเณรละถึงเกิดวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่าน ละถึงพึงให้พิสดารเหมือนในตอนต้นเกิดกระสับกระสายพระเวทนาละถึงอาบัตสังฆาที ue, ่เศษของภิกษุนั้นหลายตัวปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างละถึงอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู้อาบัตบางอย่างภิกษุนั้นระลึกได้อาบัตบางอย่างระลึกไม่ได้อาบัตบางอย่างแน่ใจอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจ ปิดอาบัตที่แน่ใจไม่ปิดอาบัตที่ไม่แน่ใจภิกษุนั้นกระสับกระส่ายเพราะเวทนาคลั้นหายแล้วอาบัตเหล่าใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลัง อาบัตรเหล่าใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจปิดอาบัตรเหล่านั้นในภายหลังอาบัตรเหล่าใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจปิดอาบัตรเหล่านั้นในภายหลังอาบัตรเหล่าใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตรเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจปิดอาบัตรเหล่านั้นในภายหลัง อาบัตเหล่าใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังภิกษุทั้งหลายสงเพงให้ปริวาสเนอกองอาบัตครั้งก่อนและครั้งหลังตามที่ปิดไว้แล้วให้มานัตแก่ภิกษุนั้น 21-100 ถึงมานัตตะสตะจบ สมุระยะสมุธานะปริวาสะจตุสตะว่าด้วยสมุธานะปริวาตกับการแชกขวอาบัตดเดิม400สี่รอกรณีภิกษุกําลังอยู่ปริวาสึกอุปสมบทใหม่ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาตต้องอาบัดสังขารที่เศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกเสียภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัดเหล่านั้น สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ปิดอาบัตเหล่านั้นสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโทา น, นปริวาสเพื่อ อ, อาบัตตัวก่อน บรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 2. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศสหลายตัวในระหว่างปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นสงพึงช้าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโอทา น, นะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อน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 สงพึงช่าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมทานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 5. ภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดทีดด่ปิดไว้เมื่อก่อน ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังสงพึงชัภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโุทานประปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไวแก่ภิกษุนั้น6ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลัางอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่าง ปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุ น, นั้นเสกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดที่ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่า น, นั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่า น, นั้นในภายหลังสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโุทานนับปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่พิกษุนั้น7ภิกษุทั้งหลาย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 อาบัตเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วปิดในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นไม่ปิดในภายหลังสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมทานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นสิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้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 อาบัตเราได้ระลึกได้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ไม่ปิดในภายหลังอาบัตเหล่าได้ระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้แล้วปิดในภายหลังสมพึงช้กภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโุทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น14ภิกษุทั้งหลาย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 อาบัตเราไดระลึกไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้แล้วไม่ปิดในภายหลังสงพึงช้าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและเพึงให้สโมโภธานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น 15. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่าง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 สงพึงช้าภิกษุนั้นเข้าหาอาบัติเดิมและพึงให้สมุทนานะปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น16ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกํำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างแน่ใจในอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจในอาบัตบางอย่างปิดอาบัตที่แน่ใจไม่ปิดอาบัตที่ไม่แน่ใจ ภิกษุนั้นเสกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตรเราใดแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตรเหล่านั้นในภายหลงังอาบัตรเราใดไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตรเหล่านั้นในภายหลงังทรงพึงช้ภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโุทานะปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไวไแก่ภิกษุนั้น17ภิกษุทั้งหลาย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 แน่ใจปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมุทานนับปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น18ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวในระหว่างแน่ใจในอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจในอาบัตบางอย่าง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 ภิกษุกำลังอยู่ปริวาสโลฐานะเป็นสมณเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัติสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วโลฐานะเป็นสมณเณรละถึงเกิดวิคนณจริตเป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านกระสับกระสายเพระเวทนาอาบัติของภิกษุนั้นปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างละถึง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 สมพึงชากภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตรเดิมและพึงให้สโมโทนานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น2 1ถึงหนึ่ง ภิกษุผู้ควรแก่มานัตเป็นต้นต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัตละถึงภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังประพฤติมานัตภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อภานต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วศึก ละถึงภิกษุผู้ควรแก่มานัตภิกษุผู้ประพฤติมานัตและภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านพึงให้พิสดารเหมือนปริวาชนั้นหนึ101่งร้หนึ่งถึงสามยี่สิบภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านลถฐานะเป็นสมณเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อภ า, านต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างไม่ปิดไว้แล้ว รถฐานะเป็นสมณเณรละถึงเกิดว <blind ing> ิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายเพราะเวทนาละถึงอาบัตของภิกษุนั้นปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู้อาบัตบางอย่างภิกษุนั้นระลึกได้อาบัตบางอย่างระลึกไม่ได้อาบัตบางอย่างแน่ใจอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจ